พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าแม่น้ำโขงให้อโหสิ ก, กรรมหาต่อในไปตั้งใจฟัง วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งแต่หลวงพ่อก็จะได้พูดเรื่องสําคัญยิ่งให้กับพวกเราท่านทั้งหลายคณะรัตยาญาติโยมทั้งหลายในกลุ่มของเราได้รับรู้รับทราบนะ เ, เมื่อวานหลวงพ่อเองได้ไปโอนให้คณะกรรมการไปโอนจตุปัจจัยร่วมสมทบ กระถินของหลวงตา 84,000 ่กองเมื่อวานนี้ เ, เป็นกองที่วัดของเราที่เราหลวงพ่อรับปากว่าจะถวาย 1,000 พกองแต่เมื่อวานนีครบแล้วนะคณาจายญาติโยมได้ถวาย3 0 0พันกองเป็นเงิน3มล้านบาทเมื่อวานนี้ เ, เป็นล้านที่สนะพวกเราอนุมวธนาสาธทุก ค, ความกันเนะ้าดังๆเนะ้า อ่าอ่าเป็นเป็นหนึ่งพกองกองละส0มพบาทนะหนึ่งล้านบาทต่อส3 3ยสาสามกองนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อเอาให้ครบเลยหนึ่งพันกองแล้วเมื่อวานจบแล้วนะแต่ว่าศรัทธาญาติโยมที่ถวายมาก็มาถวายทดแทนหลวงพ่อนะไม่ใช่ยุบมันจบเพียงแค่นั้นนะเพราะหลวงพ่อรับปากไว้นะ 50าสล้านบาทนะลูกหลานแต่นี้หลวงพ่อจ่ายเป็นเน่คําพูดของตนเองเนะ่ยจ่ายเพียงหล้านบาทเนะี่ยยังเหลืออยู่45ห้าล้านเนาะแต่ลูกหลานไม่ต้องหนักใจจะพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังนะหลวงหลวงพ่อในจ่ายไปแล้วห้าล้านวันนี้จบเมื่อวานเมื่อวานในห้าล้านนะยังเหลืออยู่45บหล้านนะแต่ก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อเองได้โอน ปัจจัยทางคณะสงฆ์น้องนุ่งทางหลายเขาบอกว่าจะมีการทอดกระถินที่วัดโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ท่านเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านประธาน้าตรายจีวอนให้ไปทอดที่วัดโคโลราโดแต่ก็จะไปทอดตัวนี้ก็จะมีการสร้างศาลาที่ โคโลราโดเพราะว่าที่สร้างมาได้ห้านะปีนันเป็นเป็นบ้านของเขาเป็นบ้านของเขาในคลายๆก็ว่าเป็นซื้อที่ดินพร้อมกับบ้านแต่ในบ้านหลังนี้ก็มีเป็นทั้งศาลาเป็นทั้งที่พักของพระสงฆ์ด้วยทำสังฆ ก, กรรมอยู่ที่นั่นด้วยจัดทายาทโยมาทาบุญกับมาทำบุญณจสถานที่นั่นด้วยเพราะเป็นบ้านหลังเดียวนะ แต่นี้พระสงฆ์ก็เห็นว่าน่าจะขยักขยายน่าจะกะน่าจะสร้างสลาเป็นอนเนกประสงค์ออกขยับไปอีกเพราะขยายที่ดินแล้วนะก็เลยตกลงกันจะสร้างศาลาแต่การที่จะสร้างสลาในต่างประเทศเนี่เขาจะต้องมีเงินประกันนะเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ก็เลยว่าเป็นการทอดกรถิ่นในคราวนี้ครั้งนี้อยากจะได้เงินประมาณส0 0 0มดอลลาร์ สามห0 0่ 30, นดอลลาร์กับประมาณล้านกว่าบาทต้นๆนะจะได้จากนั้นจะได้เอาเงินค้อดนีนะ่ไปประกันในเทศบาลสุขาพิบาลของเขาจากนั้นเขาจึงจะอนุมัติอนุญาตให้สร้างศาลาได้เพรวันนั้นจึงได้เตรียมปัจจัยจํานวนนะี้หลวงพ่อก็เห็นว่ามีความจําเป็นสําคัญหลวงพ่อก็เลยโอนให้เพราะพี่น้องพี่พี่น้องน้องเขาขอมาหลวงพ่อก็โอนให้เมื่อวานอีก สองแสนบาทเน้อเพื่อสร้างศาลาเน้อลูกหลานเน้ออนุโมทนาเนื้อและก็พร้อมกันเมื่อวันที่วันที่วันที่สองวันที่สองแวันที่วันที่สามหลวงพ่อก็ไปทอดอผ้าป่าสามคกีสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลอําเภอสังคมอีก เ, อเพราะว่าหลวงพ่อจะมีหลวงพ่อเล็กท่านสร้าง ยังมีปัญหาอยู่เรื่องจตุปัจจัยก็มีการทอดผ้าป่าเป็นรอบที่สองแล้วนะสอดรอบแรกหลวงพ่อหลพอก็ได้สมทบไปหนึ่งล้านบาทนะลูกหลานได้ผูดไปไปแล้วละ่ะคราวก่อนนะแต่เมื่อวันที่สที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ไปสมทอบอีกยอดที่สองนี่หนึงแสนสแสสองหมืกว่าบาทนะที่โรงพยาบาลอันนี้ก็นมโมทนานะลูกหลานเนะี่ โรงพยาบาลอำเภอสังคม เ, เร็วๆนี้เหมือนกันเพราะนั้นจะตุปปัจจัยของวัดของเราเนี่ยทะลักไปทะลักมาและก็พร้อมกันกันนะให้กับโรงเรียนก็มีที่โรงเรียนบ้านผือที่เขาขอระบบน้ำปรนะปาอันนั้นก็แสนกว่าบาทโอ้ รู้สึกว่ากระเป๋าหลวงพ่อฉีกพอจงคัวนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อก็บอกกับเงินนะบอกกับเจตุกปัจจัยที่ได้มานะเมื่อทำบุญทำทานไปแล้วหลวงพ่อก็บอกนะกระชิบกระชิบบอกเอ้เงินเนะียหลวงพ่อกำลังกาลังอยากจะใช้เงินอยู่เนะให้ไปบอกไปชวนหมูมหาหลวงพอ่อเดอ้อหลวงพ่อบอกเงินหลวงพ่อนะให้ไปชวนชวนหมูพวกเพื่อนมาเนะ่ยหลวงพ่อกำลังจะใช้เงินอยู่นะ เพราะว่าเป็นนี่คําพูดลงตายตั้ง50ล้านบาทนะั้นเงินเนอะหลวงพ่อก็บอกนะเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่45่้าล้านแต่เมื่อวานหลวงพ่ออยากจะบอกกล่าวให้กับคณะัตหายาโจมได้ยินได้ทราบได้ฟังให้เป็นที่รับรู้รับทราบนะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันแต่เมื่อปีนี้หลวงพ่อ ได้ไปงานวันเกิดหลวงปู่ดีเมื่อวานเนี่ย ว, วันนี้แหละเป็นวันเกิดของท่านนะครบเก้าสิบห้ปีนะหลวงปู่ดีณวันนี้นะแต่เมื่อวานในคณะสงฆ์น้องนงทั้งหลายพระคงจะเป็นถ้าหลวงพ่อไม่พูดเกินไปเขคงจะเป็นพันเพราะเราไม่ได้นับนะล้นศาลาเน่ยสาล า, า, าที่ผาแดงเนี่ยพระมากเมื่อวานแต่หลวงพ่อไปเขาครั้งกูบายจานถ้าก่อนนัดไป ให้ไปพบกันประมาณ6โมงเย็น18นาฬิกาแต่หลวงพ่อไปก็เห็นว่าเวลายัางมีอยู่ก็เลยไปเยี่ยมท่านเฉลิมใกล้ๆคณะเนี่ย เ, เป็นวัดที่สร้างใหม่ท่านกำลังจะสร้างศาลามัน ก, ก็เลยไปแวะท่านแป๊บเดียวจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้ออกมาที่พ้าแดงก็เห็นคณะสง มีหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อจิรวัตรหลวงพ่อชินหลวงพ่อเฉลิมไม่หลายหลายองค์น้องนองุ่งทางหลายหลวงพ่อบุญมีนะที่ว่ามีพร้อมคบ พ, พร้อมหน้ากันเป็นสิทธิ์ยาณสิทธิ์ขององค์หลวงต า, นะาแต่หลวงพ่อไปแล้วก็จากนั้นก็เอาได้เวลาก็ขึ้นไปที่ศาลาพอศาลาใหญ่ที่วัดพระแดงกระที่ท่าน เ, าเจ้าคุณเทพมงค์นนายก เ, าเจ้าคณะจังหวัดอุดร ท่านป่วยนะท่านท่านก็ยังอุตสาหไปเป็นประธานนะไปเป็นประธานนั่งเป็นประธานในงานของหลวงปูรีวันเกิดของปูรีนะจากท่านพระสงฆ์ก็พร้อมกันคงจะล้นสาราแล้วนะมากทั้งศรัทธา ญ, ญาจโจมก็เต็มบริเวณลานวัดนะแต่นี้ท่านสุธรรม ท, สทรมุสุธรรมสุธรรมโมนองภั่ท่านก็มานั่ง นั่งคุกเข่าต่อหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ประกาศนะประกาศว่าท่านอาจารย์ครับหลวงพ่ออินครับคือพวกเราตั้งแต่งานศพขององค์หลวงตางานจริละสังขารองหลวงตาผ่านมารู้สึกว่าพี่น้องของเรารู้สึกว่ามีความไม่เข้าใจกันมากมายลหลายอย่างแต่วันนี้ก็ได้ปรึกษากันแล้วการที่พวกเราไม่เข้าใจกันไม่เป็นผลดี ในหมู่ในคณะของพวกเรามีแต่ความเสียหายแค่นั้นพวกเราเห็นพร้องต้องการว่าท่านทั้งท่านอาจารย์ก็ดีทั้ง ผ, ผ, ผู้ผู้พวกเราก็ดีมีความเห็นไม่ตรงกันาบางสิ่งบางอย่างอยากจะให้ท่านอาจารย์โอโหสิกรรมให้กับพวกน้องๆอที่เป็นน้องๆพวกเราทั้งหลายด้วยต่อ น, นี่ไปให้จบเกมกันคือไม่ให้มีเรื่องราวหรือไม่ให้มีใคร พูดอะไรออกมาที่ว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่สมควรให้เคารพซึ่งกนและกันเพราะไม่เป็นผลดีตามสายตาของคนภายนอกถ้าคนภายนอกได้ยินแล้วก็จะตาหนิดได้ว่าหาลุกสิทธิลุกหาขององค์หลวงตาไม่เป็นเอกชนไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่อยากจะให้เป็นรักไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้ คณะสงน้องนงทั้งหลายจะมากราบคารวะท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์เอาโหสิก k a มให้กับพวกน้องน้องทั้งหลายพวกผมทั้งหลายด้วยหลวงพ่อก็เออได้ยินดีจากนั้นท่านก็ได้เริ่มพิธีก่าวกรรมคารวะนะเมื่อวานนี้ท่านก็เทเลยประมาเทนะจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ขอยกมือไหว้เจ้าคณะจังหวัดเออกับผมขอโอกาส จะได้กล่าวอะไรกับพวกน้องๆแต่หลวงพ่อก็บอกว่าผมเองสำหรับผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรรักเคารพในพี่ๆน้องๆเสมอต้นเสมอปลายก็ว่าได้แต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะความเข้าใจอาจจะไม่ไม่ตรงกัน อ, อ, อาจจะมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันแต่ถึงยังไงทางพวกเราพี่น้องให้อโหสิกําซึ่งกันและกัน ก็ไม่มีปัญหาผมเองเอพวกท่านทั้งหลังทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังผมด้วยกายวาจาใจทั้งต่อนหน้าและรับหลังทางอดีตถึงจนถึงปัจจุบันณวันนี้ผมยินดีอโหวสวีกรรมให้กับพวกน้องๆ้องทั้งหลายทุกทก ท, กท่านนะผมก็เหมือนกันได้ประมาทพลาดพังหรือการพูดของผมด้วยกายวาจาสิ่งไหนก็ตามที่ทําให้ท่านทั้งหลายไม่สบายใจทุกใจหรือว่าไม่เข้าใจ ในการพูดของผมผมก็ขอให้พวกน้องๆทั้งลหลายโอาหสิให้กับผมเช่นเดียวกันและก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะให้พวกเราไปว่าให้หยุดให้เคารพให้อยู่ในตามหลักธรรมหลักธรรมวินยัยหลักธรรมวินยัยหรือหลักธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงตาดีท่าน ได้พาดำเนินมาแล้วก็พร้อมกันผมเองพวกน้องๆทางหลายเข้าใจว่าผมไม่เคารพในองค์หลวงปู่หลวงปู่ลีนะแต่สำหรับผมเองผมในใจของผมผมรักเคารพในพี่ๆของผมคือหลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีแต่น้องๆทางหลายอาจจะเข้าใจผิดเอาเถอะวันนีนะ้ผมเองขอประกาศกับผมเองได้ประมาทพลาดพังหลวงปู่ลี ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งที่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันณนะวันนี้ขอหลวงปูป่โปรดโหสิกรรมให้เกักบผมด้วยกับผมจะชํารมระวังต่อไปจะไม่ให้ทําให้ครูบาอาจารย์และหมูพวกเพื่อนไม่สบายใจแต่ก็พร้อมกันผมหลวงพ่อเองขอประกาศบอกกล่าวให้กับน้องๆด้วยทุกปีอันนี้ประกาศถ้าว่าพวกไม่ประกาศ พวกน้องๆทั้งหลายก็คงจะเข้าใจผิดเพราะหลวงพ่อเองไม่ได้มาเห็นต่อหน้าต่อศรัทธาญาติโยมพระเนร น, น้องหนุง่นงทั้งหลายแต่ผมมาคารวะหลวงปูล่ลีทุกปีไม่เคยขาดแล้วก็เวลาได้กระถิญผ้าป่าวันเกิดของผมผมเองก็ได้นําจตุปัจจัยมาบูชาพระคุณของท่านเพื่อร่วมสร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่ลีท่านณะวันนี้นะ ณวันนี้ผมถวายหลวงปู่หลีไปแล้วนะหกล้านบาทนะขอประกาศขอแจ้งข่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบทาาว่าผมเองเออไม่รักเคารพในองค์หลวงปู่หลีผมก่คงจะไม่กล้าทุ่มเทจะตูกปัจัจถวายองค์หลวงปู่ถึงขนาดนี้นะแล้วก็เมื่อกลางพรรษาที่ผ่านมาผมมาคารวะท่าน ผมก็มีปัจจัยที่จะถวายหรือว่าจะสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาผมก็ถวายองค์หลวงปู่เมากรารวะวันนั้นกันหนึ่งแสนบาทและก็พร้อมกันผมก็กล่าวบอกว่าขอหลวงปู่ใช้ตามมัธยายใสอันนี้องค์ปู่จะถวายไทยจะทําอะไรผมก็ถวายบูชาอันนี้ก็คือแสดงออกซึ่งน้ําใจนะถ้าหาว่าหลวงพ่อเองไม่เคารพในคารวะในองค์หลวงปู่หลงพ่อคงจะไม่กล้าทํา อย่างที่ได้ยินได้บอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าหลวงพ่อรักเคารพในพี่ๆนะคือหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีที่อยู่ด้วยกันกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่น้องๆ อ, อาจจะเข้าใจผิดบ้างแต่อันนี้เอาเถอะนะหลวงพ่อประกาศให้จงแจ้งให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทรา บ, ร, บ, ร, บร่วมกันเมื่อคืนเมื่อวานและก็มาวันนี้หลวงพ่อก็ประกาศให้กลุ่มของเรา ศรัทธาญาติโยมที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อในขณะนี้เพราะว่าเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2559ในวันเกิดของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ประกาศณที่นี่เหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าถ้าหากว่าแม่นม้ำโขงยังไหลอย่างตรงอย่างที่เก่าอยู่ไม่ต้องมาพูดกันแต่หากว่าแม่นม้ำโขงไหลย้อนกลับเมืองที่เบตเมื่อไหร่จะค่อยมาพูดกัน อันนี้ศรัทธา ญ, ญาติโยมก็คงได้ยินได้รับหูรับทราบแต่เอาเถอะนะตัตะ้งแต่บัดนี้นะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นไปพวกน้องๆทั้งหลายถ้าเข้าใจกันรักเมตตากันเข้าใจในการพี่น้องหลวงพ่อก็ยินดีอโหสีกรรมให้ทุกอย่างาที่พูดที่ผ่านๆมาก็แปลว่าแม่น้ำโขงไหลาตามปกติก็มาพูดมาคุยกันได้นะอหลวงพ่อไม่ได้ถือสาหานับในพี่พี่น้องๆ อาโหสิกรรมซึ่งกันและกันพ่อแม่อีกไม่นานพอพวกเราก็จะตายจากกันไปแล้วหลวงพ่อ ก, กับเจ็ดสปีแล้วจะไปถือโทษ โ, ทษโกรธเคืองเข้าให้กับใครล่ะ เ, เวรกรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านก็บอกกล่าวสอนไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้ว่าเวรจะระ ง, งับได้ถ้าหากว่าพวกเรายังจองเวรกันอยู่ถ้ า, าว่าพวกเราไม่จองเวรกันเวรจะระ ง, งับแต่สําหรับหลวงพ่อเองไม่จองเวรกับ ดวงวิญญาณใดทั้งหมดในจั ก, กรวาล น, นะหลวงพ่อนึกอย่างนั้นแต่ผู้ใดจะจองเวรหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้แต่ถึงยังไงพวกเราเมื่อรู้เมื่อเข้าใจกันไปแล้วก็เป็นอันจบกันเพราะว่าชีวิตของพวกเรานะเห็นแต่ลมหายตายจากปีนี้กันะในพรรษากับเป็นศิษยานุสิธย์ขององค์หลวงตาหลวงปู่หลวงปู่น้อยหลวงปู่คำพองนะท่านก็ไปมรณภาพอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เพิ่งนำศพของท่านจรีละของท่านมาที่จังหวัดยะโสธรก็จะประชุมเพลิงวันที่8ที่9ที่จะถึงแล้วก็วันวานวันก่อนหลวงปู่คาผิวที่อยู่วัดป่าบ้านตาดเป็นคนบ้านตาดนะฟันสาก็าแก่กว่าหลวงพ่อนะท่านกรมรณชภาพที่โรงพยาบาลจุลาเพิ่งเอามาเมื่อวานนี่นี่แหละอันนี้ก็จะประชุมเพลิงวันที่18เนี่ยสรุปแล้วกับพี่พีน้องๆของพวกเรา ลมหายตายจากไปทีละองค์สององค์นะพวกเราที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่อยู่เอา้าช่วยกันจะทำยังไงได้ละ่ะเกิดแก่เจ็บตายเพราะนั้นพวกเราอย่าชะล่าใจอย่ ป, ประมาทแข่งดินแข่งแข่งกันดีแข่งกันเด่นก็ไม่น่าจะถูกหลวงพ่อเนี่ยมองตัวเองอยู่ตลอดนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะหลวงพ่อไม่เคยลืมตัวเพราะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่น เพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่สนุกสนานกับโลกในใครจะร่ําจะรวยจะมั่งมีสีสุขยศธฐาบนบรรดาศักดิ์สูงทรงขนาดไหนก็อ้าวตามสบา ย, ยแต่สําหรับหลวงพ่อเนี่มองหาหีบหาโลงตัวเองอยู่ตลอดนะเพราะหลวงพ่อคิดว่าตัวเองจะตายนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะในะวันที่วันที่วันที่หเนี่ยนะคณะสงฆ์น้องหลวงทั้งหลาย หลวงพ่อจู่ทำว่าผมจะเข้ามากับคณะมู้พกเพื่อนจะเข้ามาหาท่านอาจารย์กะกงจะเคารพทาวัดตามประเพณีนั่นแหละแต่หลวงพ่อเออเอาให้เตรียมพวกผ้าพวกอะไรเนี่ยไปงานศพหลุงปู่ลุงปู่คาผิวเนอเนี่ยแหละหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้เคยมองข้ามในพี่พี่น้องๆ้องอมีอะไรก็เชื่อีกช่วยเกู้กุณหนุนกัน อ, อันไหนจะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนา ต่อวงการคณะสงฆ์ต่อวงการของลุกศิษย์ลูกหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนะวันนั้นหลวงพ่อขอบอกกล่าวให้กับเราคณะศรัทธาญาติโยมกลุ่มของเราได้รับรู้รับทราบว่านีนะ่เรื่องราวที่เมื่อวานนะประมาณชันะ่ทุ่มครึ่งที่คณะสงฆ์ได้กาลาวคารวะหลวงพ่อหลวงพ่อกันเอาโหสิกรรมให้ทุกอย่างาไม่มีอะไรในหัวใจของหลวงพ่อนะ โอ้โหกรรมให้พี่พี่น้องๆ้อสัทธาญาตทกหมู่ทุกหมู่เหล่าแต่ต่อไปภายภาคหน้าทางว่าพี่น้องจะยังมีประมาทพลาดพังหรือเอยังไม่ยังเจ็บใจใจใจเจ็บอยู่หลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้นะกรรมเท่า น, นั้นลหละจะเป็นผู้จำแนกให้กับพวกท่านทั้งหลายถ้าใครใครทำกรรมสิ่งไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองเองหลวงพ่อไม่มีไม่มีส่วนนะ เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับเทวทัตเนี่ยถึงพระเทวทัตนะจะทํากรรมยังไงพระพุทธเจ้าก็มีตแต่เมตตาแต่เทศเทวทัตจะไม่ได้รับกรรมอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธองค์ก็บอกเมื่อเมื่อเทวทัตจับไฟพระพุทธเจ้าจะบอก ว, ว่าไม่ให้ร้อนเป็นไปไม่ได้เมื่อจับไฟแล้วมันก็ต้องร้อนนี้ก็เหมือนกันใครท่านใครใครทํากรรมสิ่งไหนไว้กรรมนั้นมันก็จะต้องตามสนอง แต่ว่าถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกกล่าวกับในพี่น้องว่าต่อไปถ้าว่ามีความไม่พอไม่ไม่เข้าใจกันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้พวกท่านทั้งหลายจับกลุ่มกันรวมกันแล้วก็เข้ามาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่ออาจจะพูดผิดอาจจะพูดไม่ถูกอาจจะพูดที่ทําให้พวกท่านทั้งหลายไม่สบายใจหรืออาจพวกท่านทั้งหลายไม่เข้าใจในความหมายของผมผมอาจจะด่าลูกศิษย์ลูกหาของผม แต่มันกระเทือนไปอาจจะไปกระเทือนพวกถึงพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทลายก็เอา้ามันหลงปู่อินดาพวกเราแล้วเนี่ยแต่ที่แท้กับหลว ง, งพว่อกระดาพวกอยู่ใกล้ๆของหลวงพ่อจะไม่ให้หลวงพ่อดูด่าว่ากล่าวยังไงใช่ไหมล่ะในเมื่อมันผิดนะแต่ทิ้งยังไงก็ตามเมื่อเข้าเมื่อพวกเรา เ, เมื่อเขา้าพวกเราไม่เข้าใจกันก็ต้องมาถมามบอกมากล่าวนะหลวงพ่อก็จะได้โอ้ใช่ผมพูดวันนั้น ผมพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาของผมธรรมดากันั่นอะมากระเทือนแต่ถึงยังไงผมมันกระเทือนหมูพวกเพื่อนพี่น้องกับอาโหสิกรรมให้ผมโดยน้าหลวงพ่อก็จะพูดจะกล่าวนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี่ยมันก็อย่างว่าเหมือนกันกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันอาจจะพังเผลือผาดพลังไปได้เพราะนั้นที่ผ่านผ่านมาทั้งหมดนะ ที่มาแล้วก็ให้จบๆกันให้เกมกันหลวงพ่อก็ยินดีแต่น้องๆทั้งหลายก็คงจะเหมือนกับหลวงพ่อกำลังนะพวกพวกเราปรฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราไม่ถือโทษโกรธเครืองอยู่แล้วถ้าถือโทษโกรธเคืองก็มันได้อะไรมันมีแต่เสียมากกว่านะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาโจมที่อยู่ในวัดของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ในหลวงพ่อในขณะนี้นะ หลวงพ่อก็ได้พูดให้ฟังพวกเราได้อะไรที่ได้พูดให้ฟังหลวงพ่อได้ว่าเนี่ยนะพวกเราจะเป็นจัตไายญาติโยมพี่น้องผู้ใดก็ตามที่อยู่ด้วยกันนะถ้าว่าไม่ความไม่เข้าใจให้เอาโหวสวีกรรมกันนะดีที่สุดนะพี่น้องลูกหลานนะอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันอันนี้แหละผลที่ได้ที่หลวงพ่อประกาศในวันนี้นะมีถ้าว่าพวกเราผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีแต่เสียกับเสีย มันไม่ได้อะไรหรอกออพบหน้าชาดหน้าขึ้นไปอีกเสียอีกนะถ้าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสัมมาเกีการรักเมตตากันอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกเกือ้อกูลหนุนกัน อ, อถ้าผู้ใดตกทุกข์ใดยากก็มองกันเมตตากันสงเคราะห์กันเรียกร้องหากันได้นะพเพราะอะไรเพราะพวกเรา เ, เข้าใจกัน มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแต่พวกเราแตกแย ก, กสามัคคีกันชิงดีชิงเด่นกันแล้วนั่นแหละความเจ็บหายความหายชนะก็จะมาสู่พวกเราทันทั้งหลายนั่นแหละวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างพระจเจียรของหลวงตานะาแล้วก็วันที่เจนะ็ดตุล า, าจะมีการทอดกรถินสามัคคีที่วัดป่าปั้นตา ถ้าว่าผู้ใดจะโอนเข้าจุดนั้นก็ได้หรือจะมาสมทบกับหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็ บ, บอกประกาศแล้วว่าสําหรับหลวงพ่อเองรับที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาหนะ้าสิล้านบาทถ้าหลวงพ่อไม่ได้จากศรัทธา ญ, ญาติโยมกลุ่มของหลวงพ่อนะจะได้มาจากไหนศรัทธา ญ, ญาติโยมกลุ่มหลวงพ่อเออเอาม า, เ, าเมื่อถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็เก็บพร้อมรอมริบเข้าไปแล้วก็ เอาไปถวายเอาไปสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาแต่เดี๋ยวนี้เจดีย์ของหลวงตาหลวงพ่อก็บอกประกาศว่าพิพิธภัณฑ์พระวิหารพระวิหารกับพระเจดีย์เซ็นสัญญาแล้วเซ็นสัญญาเมื่อวันที่17มิถุนาสี่อกาล้านบาทสองอาคารแต่ยังเหลือพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้เซ็นสัญญา แต่ก็ไม่รู้จะเป็นเงินเท่าไหร่แต่ลงพ่อก็กะกะไวนะ่ประมาณสักสองล้าน200ล้านประมาณอาจจะไม่ถึงทามันเกินไปเราก็อาจจะเก็บไว้ตั้งเป็นมูลนิธิดูแลบำรุงรักษาพระเจดีพระวิหารพระพิพิธภัณฑ์ต่อไปภายภาคาง้าไม่เสียหายหรอกถายาทโยม้ามันลึกเกินไว้ดีกว่าขาดนะทามันขาดามัน มันไม่รู้จะหาที่ไหนนะถ้ามันเกินไปเนี่ยเราก็ยังเอาไปใช้อย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้วานนั้นจะตัปัจจัยที่ศรัทธายาธิโยมที่ว่าเชื่อถือนับถือเชื่อถือในหลวงพ่ออินเนี่ยก็เอามาน่ถ้าว่าพวกเราไม่เชื่อในหลวงพ่ออินนกจะโอนเข้าบัญชีไปเลยอันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะหลวงพ่อได้ทั้งนั้นคนะณะศรัทธายาิโยมโลูกหลานเอ นี่แหละหลวงพ่อบอกบอกเปล่าประกาศให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รับปรูลรับราบการสร้างบุญสร้างกุศลแต่หลวงพ่อขอย้ำท้ายหลังท้ายย้ำอีกว่าการทำบุญกับพระเจดียหลวงตาจะไม่ผิดหวังพวกพ่อพูดอย่างนั้นนะจะไม่ผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระระยะบุคคลท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ เ, เลิศประเสริฐอยู่แล้ว ตัวของท่านเองท่านก็ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นอนันตการกคือสรุปแล้วก็คือประกาศเป็นพระอรหันแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ทําบุญกับองค์หลวงตาหลวงพ่อจึงประกาศบอกกล่าวอีกคว่าไม่ผิดหวังนะลูกหลานเนอ้เอาการสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาหลวงตาทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติมากขนาดไหนถ้าพวกเราศึกษาดูแล้ว มากมายทีเดียวพวกเราทําเพียงแค่นี้นะบูชาพระคุณหลวงตาเพียงนิดหน่อยเพราะนั้นถึงจะพิษนิดหน่อยกับผลด้วยน้ําใจของพวกเราน้ําใจของเราท่วมท้นน ะ, ะทางด้านจิตใจเครือบูชาพระคุณหลวงตาก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะนั้นพวกเรา พ, พ่อไม่ได้วาดมากหรือน้อยน ะ, เ, ะเท่าไรก็ได้แต่ขอสําคัญให้ทํา ถ้าไม่ทำหลวงพ่อเนี่ยตำหนินะ เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตไปทําอย่างอื่นไปทําได้ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ใช่ผมอยากได้อันนี้ก็อยากได้บุญเหมือนกันไม่อยากได้บุญเหรอเนียอนะันนั้นก็อยากได้เงินเอาทั้งบุญเอาทั้งเงินเอาทั้งบุญด้วยนะเนี่ยแล้วก็เสียสละ5บาท10บาทไม่ได้เหนะรอเนี่ยหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะไม่ถึงกับมากนะแต่ว่าที่ยังไงควรจะทํำ กับจีดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาไม่ควรจะปล่อยปาะละเลยนะลูกหลานคณะสัตายาธิษมน์นอะขนาดหลวงพ่อเองน่ยหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์องค์งเจ้านได้จะตกปัจจัยมาหลวงพ่ อ, อย่างไงทําไปแล้วนเนี่ยทำให้ลูกหลานได้ดูแล้วอทุ่มลงไปแล้วาสามล้า น, นวันจบเมื่อวานสามล้า น, นาสรุปแล้วก็คือพันกองพันกอง เ, อเงินสามล้านบาท นี่แอันนี้จะแจ้งข่าวบอกกล่าวนะไม่ใช่อวดใช่อโหใชอวดนะลูกหลานนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานจะสยมพูรู้ไปหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้บอกได้กล่าวถ้าได้พูดได้กล่าวอย่างนี้กันลูกหลานบางคนก็เะหยุหลวงพ่พอพอินขี้อวดอพอทําบนนะุญแล้วอวดหน้าอวดหลังขี้คุยขี้อวดนะกระสุดแท้แต่เพราะนานาจิตต่างนานาทัศนะนะ หลวงพ่อกคยบอกกล่าวให้ผู้ที่ควรจะรับรู้รับทราบถ้าไม่อยากจะรับรู้ก็ปิดหูซะเออเอาใจใส่อย่าไปเอาใจใส่ซะเอาใจทําเป็นหูกลายไปซะอยไปฟังนะเออถ้าว่าผูดด้ใดอยากจะรู้อยากจะเข้าใจก็นี่ฟังที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเออถ้าฟังแล้วก็นําไปคิดมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าหลวงพ่อได้สมทบ พระเจดีอของหลวงปู่ลีเดอร์ต่างกลัมต่างวาระเนี่ยหกล้านแล้วนเนีอยหลวงพ่ออินคี่คุยหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเออเไปถามดูนายจอยดูทุกสิทธหลวงปู่ลีนะนะหลวงพ่อเนี่ยพูดอะไรคาว่าหนึ่งคำว่าโกหกลไม่มีในหัวใจของหลวงพ่ออยู่แล้วพูดตามความเป็นจริงทำไมถึงพูดก็เพราะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบทนน่ะอ ว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวพวกท่านทั้งหลายจะรู้ได้อย่างไงเไอาตอนนี้ไปล้พอในเนีนะหลวงพ่อพูดนอกประเด็นสักหน่อยวันนี้นะลูกหลานนะแต่ให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอุทิศสวนกุศลดาถือว่าเป็นวันสําคัญอุทิศสวนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สักานายาดญาติพิดสายเจ้า ก, กรรมนายเวรอย่างที่ทา ย, ยกได้พูดได้กล่าวนั่นแหละ